แต่ว่าจบก็ปรารภทำสู่กันฟังเป็นจิตวัดเป็นกิจกรรมของพวกเราขอมีส่วนร่วมกับทักปฏิบัติธรรมทั้งหลายด้วยเพราะว่ามั่นใจในการปฏิบัติธรรมมั่นใจในการเจริญสติมั่นใจในการตามรอยพระพุทธเจ้า มันมีทางไปไม่เข้าลบเข้าพงถ้าเรารู้จักทิศทางบ้างเราเม่อกายเราไม่ใจมันจะหลงอยู่ที่กายที่ใจที่เยอะแยะที่สุดเลยเราจึงมาดูมาสร้างสติมาดูวิธีสร้างก็มีอยู่ ทำกันอยู่มีสติก็มีได้ทุกคนถ้าเรามีสติรู้สึกตัวอยู่ก็เป็นนันเดียวกันนันทีพระก็รู้โยมก็รู้คนหนุ่มก็รู้คนแก่ก็รู้ชาติใดภาษาใดรู้หมดเพราะเอกภาพมันเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันแท้แท้ ชีวิตเราก็จุยกระจายกันไปจึงมีการปกครองกันเยอะแยะไปหมดเลยมีรัฐธรรมนูญมีตัวกฎหมายอะไรต่างๆถ้าเรามีสติเนี้ยมันจะเป็นยังไงมาพิสูจน์ช่วยกันดูบทพิสูจน์บทสอนกันก็มีคำพูดบ้างบางครั้งก็ไม่ต้องมีคำพูดเลย อาจารย์ทรงศิลอาจารย์วัณฑชัยอาจารย์ตุ้มอาจารย์วเทพอาจารย์หลายท่านพาปิดปากไม่ต้องพูดเลยให้สัมผัสตัวเองผมก็เคยมีพลังบอกเคยไปสอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพลังมาบอกว่าไม่ต้องสอนเรานะจะให้ทำอะไรพาเราทำดู ูเขาเรียนลัดที่สุดเลยจะให้ทำอะไรพาเราทำก็พาทำแทนเดียวยกหรือช่างยว่าเดินเจ้ากลมเดินเจ้ากลมแม่มันลูกเอาแว่เอาแว่เป็นกระพูดบากแต่ว่าหยุดพูดเอามือไปเคาะเดินเคียงข้างกันไปเอามือเคาะแขนเขา รูเป็นนี้ตัวรูเป็นนี้ตัวรูจะเป็นอ่านี้รูมันเป็นย่นี้มันดูอย่างนี้มันสัมผัสอย่างนี้ไม่ใช่รูแบบนี้ไปจับแขนไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะนีาาา่แบบภาษาใบเราก็พูดไม่ได้เปนภาษาใบไปเลยให้รูไปเลยฮะเอาไปมางไปตองกอดเขาก็เดิ่มไปรูไปรูไปเก้าหนึ่งเลย คุณเคยรู้อย่างนี้ไหมโอ้โหคุณไปรู้ได้่ะคุณไปรู้ไปท่องเที่ยวโลกไปจันทราแล้วคุณไม่รู้ตัวเองเลยอ่าไม่รู้หนึ่งวันรู้ไหมไม่รู้เข้ามงหนึ่งรู้ไหมไม่ค่อยรู้เนี่ยเราจึงมาดูแลตัวเอง ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสติคือดูแลตัวเราดูแลกายดูแลใจของเรานี่ยแหละไม่มีใครเห็นเราเท่า ก, กับตัวสติที่เห็นกายเห็นใจเราเนาะมันหลอกไปได้หลอกคนอื่นอาจจะหลอกได้แต่หลอกตัวเองไม่หลอกไปได้เด็ดขาดเลยไอายไหมไอายความโกรธไหมไอายความทุกข์ไหมไอายความหลงไหมหรือว่าเฉยอยู่ได้เลย เฉยได้ถ้าเราไม่เห็นน่ะถ้าเราเห็นเรามันเฉยไปได้การตื่นเราร้อนช่วยตัวเองสองสารคนเดินเจีงจนร้องไห้เสียใจไม่เคยสงสารตัวเราเสียใจเพราะตัวเราสงสารเรามีบ้างไหมปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์ปล่อยตัวเองหลงมาเท่าไหร่เท่าไหร่แน่ะไม่ได้ช่วยตัวเราเองน่ะผู้ดีก็สูบเล่าก็จนิน ท, กกทุก็ทุกนะสองสารสองสารลูกสองสารนามสองสารจิตใจไม่เคยช่วยตัวเองเลยช่วยคนอื่นเจ่งที่สุดเลยแต่ช่วยตัวเองไม่ช่ว ย, ยบางทีช่วยอื่นก็เป็นทุกข์ด้วยเวลาเราเกิดขึ้นเอามาเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสุขทั้งหมดไม่เคยมีปัญญาจึงมาดูมาชวนกันดูมาดูวันนี้ ถ้าทั้งหลายจังมาดูโลกนี้เหมือนเป็นเป็นิจิตการดุจราชรถที่คนหลงทั้งหลายพากันหมกอยู่อยู่กับความโกรธก็อยู่ได้สบายอยู่กับความทุกข์ก็อยู่ได้สบายพอใจในความโกรธพอใจในความทุกข์พอใจในความหลงพอใจในการเบียดเบียนจนฆ่ากันหลงคอทำร้ายกันรักขโมยกันเป็นศินเป็นธรรม เนี่ยบ๊พืชพมอยันบัตรเนี่ยมีสตินี้มันไม่เปิดเพื่อนกับอะไรดอกมันรู้ตัวรู้ตัวนี้ไปตัวรู้ตัวนี้รู้สึกตัวตัวนี้พาเราไปก้าวไปไปไหนไปจากความหลงถ้าไปจากความหลงนี่เรีย ว, ว่านักบวชก็ได้ บวชนี้คือหนีจากความชั่วความชั่วคืออะไรต้นโตวความชั่วคือความหลงต้นเหตุจริงๆนั่นคือตัวหลงตัวหลงมาฉี่ช่างขีบ้ามาเหรือมันมีสะตาวุ่นหรือไม่มีหรอกมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคลองชีวิตเรามาเราจึงมารู้จากตัวหนึ่งวันเจ็ดวันเราหลถ้าทายพระเจ้าถ้าท า, า, ายมากเรื่องนี้นะ ผู้ใดมีสติรู้ตัวอยู่เสมอหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันจะมีอนกสงย่างกลางหนึ่งเดือนถึงเจ็ดเดือนจะมีอเนกสงอยาา่างช้าที่สุดหนึ่งปีถึงเจ็ดปีเกิดอเนกสงกันมาถึงมักถึงผลได้ถ้าไม่ถึงมักถึงผลก็ถึงอานาคามีบุคคล ผู้ที่มีพบเดียวชาติเดียวเนะมีใครบ้างกล้าพิสูจน์เรื่องนี้กันมัพวกเราพิสูจน์อะไรเยอะแยะมามากแล้วแต่ไม่พิสูจน์เรื่องคุณค่าชีวิตเราที่มันมีอยู่นี้เราไม่ออกมาพิสูจน์ดูไม่ได้ใช้ประโยชน์ชีวิตเราเลยมีแต่เป็นโทษชีวิตเราเน่ย พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างที่สาธยายทำสวดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ยเราถูกความทุกข์อย่างเงาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วทำจะไหนกันทำที่สุดแห่งกองทุกข์ตั้งเส้นนี้จะพึงปรากฏชาติแ่เราได้อุทิศหนันตางสมมาชําญเราปฏิบัติตามอยู่ทำตามอยู่ ทำใ น, ในใจอยู่ก็มีบ้างลองดูเชีปฏิบัติตามอยู่ทำตามใน ใ, นใจอยู่เนี่ยเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่น ะ, อะขอให้พมอาจรรย์ของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อ ก, การถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งเช่นน่เถินพมอาจรรย์คือความบริสุทธิ์ใจป่าพืชพรมอาจรรย์พ้อมทักอธธัฏฐพร้อมทั้งปัญชนะ อัตตะคือไม่ต้องพูดต้องจ่าสัมผัสไปไปชนะก็พูดบ้างแต่ขยายบ้างเห็นรูปทำเห็นนามทำเลื่อนไหวเป็ น, เ ป, นเป็นรูปโอ้เป็นรูปจริงๆเนาะรูปเนี่ยเขาสั่งให้ทำางนก็ทําสั่งให้ทำนี่ก็ทําสั่งให้ทําอย่างนี้ก็ทํารูปเนาะสงสารรูปเนาะรูปทำเนาะรูปจริงๆเนะี่ยใครก็มีรูปอย่างนี้ เอารูวันนี้ไปทำอะไรเอารูปวันนี้ไปทำชั่วก็มีเอารูปวันนี้ไปทำดีก็มีใครเป็นคนสัง่งไม่มีใครมีอำนาจไม่มีใครเป็นใหญ่คุ้มร้ายุ้มดีมีใจก็เึ่งใจไม่ไดุ้้มร้ายุ้มดีนะบางคนก็ะพูดว่าไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าใจเป็นจากอาไรทำไมจึงไปพูดอย่างนั้น มันก็เป็นเรื่องของเราแต่ว่าแต่เรามีสติเถอะเอา้ามันจะใหญ่โตขนาดไหนกิเลสพันหน้าหรือตัณหาลอยแปดหรือมันเกิดจากตัวรูตัวหลงทางนั้นชีวิตเราโอเริงเิงแล้วมีตัวรูกับตัวหลงดูดีๆดูถ้าตัวหลงมันไปยังไงไปไกลเหลือเกินถ้าตัวรู้มันไปยังไงมันก็หยุดแค่ไหน อะไรรูแล้วรูแล้วรูแล้ ว, ลวมันก็หยุดทันเดียวนะถ้ารูเรามันพ้นทุกอย่างเราจะงมาสร้างตัวนี้กันเหมือนกันจะเป็นคราบวาดญาติโยมเป็นพระเป็นสงเหมือนกันหมดเรามีตัวรูสึกตัวความรู้สึกตัวนี้อยู่กับพระพุทธเจ้านานมาแล้วก็เป็นตัวรูอยู่กับเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นอันเดียวกัน ตัวรู้เนี่ยอย่างที่เราสวดเนี่ยเคารพพระธรรมเคารพตัวรู้เคารพอธรรมเคารพตัวหลงเคารพตัวหลงคือเคารพความชั่วอย่าไปใกล้มันแล้วพ่อเจียนเคยสอนพวกเราว่าเคารพแม่ขี้หมาขี้ไก่ขี้หมาขี้ไก่อย่าไปเหยียบมันมันเหม็นความชั่วอย่าไปทำอย่าไปคิดมัน มันเปิดเพื่อนเหมือนกับพอรบความขี้ไก่ขี้หมาขี้หมาพารพความดีทำในใจอยู่น้อมมาเส่เราน้อมมาใส่เร า, มม า, เ, ราเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่ามาดูท่านจะมาดูเถิดเจ้าน้อมเราเข้าไปหาเจ้าน้อมทำมาหาเรามันเป็นปัจจัตตังของผู้รู้ ไม่ต้องมีคำถามอะไรหรอกอย่างที่พวกเราทําอยู่อาจารย์ก็สอนแล้วหลวงพ่อไม่บอกอาจารย์ก็บอกก็สอนเราไม่ใครไม่สอนเราสร้างจังหวะสร้างสติดูสิตัวเราจะสอนตัวหลงเมื่อเราหลงเราก็สอนเราให้รู้ออกมาหลงแล้วรู้สึกตัววิธีที่รู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยกายเคลื่อนไหวกายยานุปษษัจนาสติปัฏฐานมีสติดูกายเนี่ย เยอะแยะอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดความรู้มีมากในกายเรานี้ตาก็รู้ได้หูก็รู้ได้ชั่งออกลิ้นกายใจเอามารู้ได้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ได้ขึ้นทั้งลายก็รู้ได้พิบตาก็รู้ได้เดินยืนดั้งนอนรู้ได้เราใช่อะไรใช่เกิดความหลงก็หลงได้ใช่เกิดความรู้ก็รู้ได้ เนื้อมันในมันใ้ตัวหลงมีตัวรู้ลองดูชิให้มีฝีมือเักกน่อยมาดูตัวเองให้มันรักษาตัวเองให้คุ้มอย่าปล่อยปละละเลยปฏิปธรรมคือดูแลตัวเองนี่แหละดูแลตัวเองคือดูแลกายใจอะไรเป็นปูแลมีสติ สติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของ จ, จิตใจอย่าให้ความหลงเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจมีสติสมมจญยะเหมือนอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ถ้ามีขาดสติเมื่อไรมันคนพัดถิ่นพัดบ้าน กลางคืนว่าฝันกลางวันว่าชิดหมกมุ่นคุณจิตไปไกล้ะเกิด แ, แต่เวลานอนก็หาเรื่องมาคิดคิดได้คิดดีความคิดนี่บางทีก็แต่ก่อนที่จิตมันบริสุทธิ์อยู่แต่ใช่มากๆก็เปิอะเพื่อนแหบ พระพุทธเจ้าสอนว่าแต่ก่อนนี้จิตของเราประพัดสอนผ่องใสอยู่เสมอมืนว่าที่เขาสอนอุปจิเลตคือความหลงทั้งหลายมันจรมามาอยู่กับจิตจิตก็เลยเปื่เพื่อนเหมือนจิตสกปรกทั้งหลายเกิดขึ้นเรียกว่าอุปจิเลสเป็นจรมา มีเหมือนเจลาหัวใจหลังนี้สลาหัวใจหลังนี้ไม่ว่าอะไรใครใครจะมาพักก็ได้พระมาอยู่ก็ได้ไอ้ขี้มาอยู่ก็ได้ยมมาอยู่ก็ได้คนดีมาอยู่ก็ได้คนชั่วอยู่ก็ได้สลาหลังนี้ไม่ว่าอะไรเหมือนกับจิตใจของเราหมามาอยู่ก็ได้งูมาอยู่ก็ได้โจงกระไรมาอยู่ก็ได้ บันดิตมาอยู่ก็ได้ศาลาหลังนี้แปลว่าอะไรแต่ว่าสิ่งนี้มาอยู่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อศาลาหลังนี้ถ้าเรามาอยู่ศาลานี้ก็สะเรียบร้อยใช่ประโยชน์มานั่งมาฟังทรมาสวดมนต์ไหว้พระถ้าอื่นมาอยู่ก็ลภลงหลังหรือทำให้เสียหายศาลาหลังนี้ได้ ใจของเราก็เหมือนกันมันสัมสนจิตใจมันสัมสนเหมือนโสเพในจิตก็วได้คิดอะไรก็ได้คิดชั่วที่สุดก็ได้คิดได้คิดดีหรือ ว, ว่าสัมสนจึงมามีสติมาละมีสติมาดูให้มันดี ให้มันเห็นแ้แต่ความคิดที่มันหลง อ, อ่ะตกใจนะเปืเป่อเบื่อแล้วนะถ้ามันหลงอนะปืป่อเพื่อนแล้วแต่ก่อนเราไม่รู้ว่ามันไม่เพื่อหนะมันไม่เป็นบาปใจเนะี่ยมันคิดอะไรก็ได้นะไม่ใช่เลยมันต้องเกิดขึ้นจากใจก่อนจากความหลงก่นจึงมันบาปจึงเป็นบุญได้ใจพาไปใจเป็นหัวหน้าสําเร็จจุดที่ใจ เราจะมาสอนมามีสติเนี่ยแม้จะพูดไปเท่าไร่เท่าไหร่ก็ตามถต่มันคือเรื่องเดียวคือมีสติตูแลกายใจของตอนเองคือทั้งหมดของผมมาจนแล้วจะเสียเวลาถือพวกเราพาลัดตรงๆเข้าไปเลยฮะไม่ต้องเน้นช้าไม่ต้องมีวิธีอะไรมากมาย แม้มีวิธีก็เป็นเรื่องนี้กันเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่เรื่องจิสติเนี่ยปฏิบัติธรรมก็มีกายทุกคนมีใจทุกคนมีความรู้สึกตัวทุกคนเอาเลยประกอบปลารกความเพียรตั้งไว้เอาสติ ม, มาตั้งไว้ที่กายนยยี่รู้อยู่รู้อยู่จังหวะที่เราสร้างพอดีพอดีแค่เป็นนับหนึ่งสองสาสี่ นับถึงตั้งต้นจากหนึ่งก็เป็นล้านเป็นแสนสติที่เราสร้างู่เนี่ยรูดึงอ่ารูหนึ่ง ร, งรูสองรูสองไป ส, สิรู1ิบรูเนี่ยโลบหนึ่งได้14ลรูรูทีหนึ่งไม่เกินวินาทีหรือช้ากว่าหรือไวกว่าไม่มากพอดีพอดีจังบะพอดี ที่เราสร้างควรู้ถ้าเราเจ็บเงินเ็าเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอามันก็มากได้แต่เงินเหมือนเงินแสนเขาเกิดจากหนึ่งบาทไปคนเราทั้งหลายตั้งต้นความดีทุกคนตั้งต้นกันคนในคนไทยเราเนี่ยหกเจบกว่าล้านคนถ้าทุกคนมาตั้งต้นจากเราก่อนไม่ต้องไปเจนฑใครเอา้าตั้งจากเรานับหนึ่งจากเราก่อนรู้สึกตัวรู้สึกตัวเี่ย อ่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาโอ้ยอยย่มวายยากอะไรนะศูนย์หลวงพ่อศูนย์ด้วยคนคนทุกข์มันไม่น่าจะทุกข์เลยคนโกรธมัน่าจะโกรธคนหลงมันไม่น่าจะหลงมันรู้ได้ยิ่งๆเน่ยแล้วก็ช่วยกันได้ยิ่งพวกเราเป็นผัวเป็นเมียเป็นครอบเป็นครัวก็ต้องเห็นกัน เห็นคนหลงเห็นเมียเราหลงเห็นผัวเราหลงโอ้ยช่วยกันเด้อพ่อหลงอะไรละ่ะฮะพอฉันช่วยได้ไหมฉันเป็นเมียของพอ่อหลงอะไรฮะจะช่วยจะช่วยให้หลงก็ช่วยกันเอาบอกสอิว่าอะไรมื่อกพูดอะไรละโอ้ยมันหลงพราะคำพูดของฉันเหรอมาทุกเราหรือเกินเราหลือโอ้ยขอโทษขอโทษอ่าขอโทษอ๋อ ม่าไปได้เจตนาว่าอะไรก็ว่าไปถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันบางดีก็อย่าไปถือสาเกินไปนะก็ไปสอนคนหลงให้เกิดความรู้กันมาเป็นบุญแล้วสอนคนโกรธให้หายโกรธเป็นบุญแล้วช่วยคนโกรธให้หายโกรธเป็นบุญแล้วเราเนี่ไม่ช่วยกันตรงนี้เลยคนหนึ่งโกรธก็ใครโกรธด้วยกันเขาด่ามาเราก็ดา่าตอบไม่ช่วยกันตรงนี้เลยช่วยกันไม่เป็นด้วย แม้จะช่วยกันช่วยไม่เป็นนะเมื่อเรามารู้อย่างนี้เราไมันจะช่วยกันเลยเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้ไม่ต้องไปบวชกับหลวงพ่อก็ได้หรอกอยู่บ้านทํางานทําการมีหน้าที่ช่วยกันให้เป็นบุญเกิดขึ้นจริงจริงอย่าไปตำ บ, บนญแต่ทวัดทา บ, บุญในตัวเราในาศาสนาคือกายคือใจเมื่อกายใจเราทรําดีก็ไปถึงพระถึงสงศ์ได้ถึงทุกคนได้ ไห้ทำให้เกิดความเดือดร้อนนะเอาดูสิมันครอบคบมัน ค, บ, นคบจั ก, กรวาลมันทุกทุกอย่างครบท่วนจากการที่เราเจริญสติเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ก่อนไม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าฟ้าชายพอมาลูกลางนี้เขา้าลุยเลยสอนคนทันเดียคนแรกก็ปัญจวิชีฮนะ เทศในวันเพ็ญเดือน6อ๋อวันเพ็ญเดือน3เนะาะแสดงควาเทศพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็มาสวดทำวันเจ้าพี่เนี่ยโปรดจนเจาเ้าพี่ทำมาจากหมายถึงขี้ทางทางตันทางผ่านทางสุดตรงไม่ถูกมันไปทางอื่นทางตันไปไม่ได้ <c oughs> ทางตรงนี่คือเป็นมาก ไปถึงนด้พ่อสอนปัจจุบันเรื่องทางทางใจความโกรธมันตันความหลงมันตันถ้ามีความรู้มันก็ผ่านไปแล้วผ่านความทุกข์ไปเป็นความรู้ผ่านความโกรธไปเป็นความรู้ผ่านความหลงไปเป็นความรู้ผ่านความรักควยังเป็นความรู้เอาความชังไว้หลังเอาความโกรธไว้หลังเอาความหลงไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลังเลื่อยไปเคยโกรธ มันก็จึงพ้นจากความโกรธมันผ่านแล้วจึงรู้นะในสูตรก็มาสอนเรื่องสอนเวเชกัถาอนัตตาลัคณาสูตรว่ารูปมันไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาความจําได้หมายลูกไม่ใช่ตัวตนสังขารการปูงการแต่งทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวตนวิญญาณมันติดอะไรมา มันติดมันเปืเ่อนๆอะไรมาเอามาบางทีมันเปิดเพื้อนมาถึงสุกโตด้วยวิญญาณนะ่ะคิดไปข้างหน้าคิดคืนข้างหลังชีวิตของเราเนี่ยมันไม่อยู่กับปัจจุบันจึงมาตั้งไว้นี่ลองดูถ้าไม่ตั้งนี่มันไปข้างหน้าเมือ่อพุ่งนี้ไปแล้วมันคืนมัน ค, คืนข้างหลังเพื่อวันนี้ หรือสิบปียังเอามาคิดอยู่ยังไม่ถึงเอามาคิดอยู่จึงตั้งไว้นี้ให้เห็นอยู่นี้เพื่อเพื่ออดีอ ด, ดีอนาคตดีปัจจุบันมันต้องดีก่อนทำยังไงเร า, จ, าจะอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยวิธีกรรมฐานกรรมคือที่ตั้งเอาไว้ตั้งไว้นี้เมื่อตั้งอยู่นี่ชั่วงหนึ่งชัวง่วโมงเอ้าชั่วโมงที่ผ่านมาก็ดีแล้วมาลูเดี๋ยวนี้ อา้าเมื่อมันรู้เดี๋ยวนี้ข้างหน้าก็ลูกไปของจริงคือเดี๋ยวนี้พวกนี้มีไหม ม, หมีมีไหมพวกนี้ะมีไหมมือบาลมีไหมมีมือบอลเนี่ยพวกเรามาถึงมือบานมีใครเห็นมือบอนเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมใครเห็นพวกนี้อะเห็นไหมพวกนี้่ะแตทั้งที่มันมีอยู่นะ แล้วเห็นเมื่ อ, อไรล่ะเห็นเดียยเด๋ยวนี้ของจริงไปเดี๋ยวนี้อย่าละความชั่วเดี๋ยวนี้ได้ไหมจะทําความดีเดี๋ยวนี้ได้ไหมน เ, เนี่ยเอากายเนี่ยมาทําดีลองดูทียกมือบ่อยใจก็เมตตาก็ดาออกหนะ้าคิดเชิงไดเมตตาทำเชิงไดเมตตาพูดเชิงใดเมตตาความดีออกหนะ้าไม่ใช่เหรความรักความช่างออกมันทําเดี๋ยวนี้ได้มันก็เนี่ยมันทําได้จริงๆหรือเ่ากรรมมาถานัน ไม่รู้จะพูดยังไงให้เราพริสุจน์ตัวเองไม่ต้องมาเชื่อเราเชื่อตัวเองนอนั่นเชื่อตัวเราเราเชื่อคนอื่นหน่อยใช่ไม่ได้เลยแต่มีศรัทธาก่อนว่าทําดีก็ดีทําชั่วก็ชัว่วในโลกนี้มีบุญมีบาปทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ชัว่วอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ย เพราะความดีนำเรามาเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ดีกว่าหลวงพ่ออีกด้วยหลวงพ่อไม่รู้อะไรหรอกเนาะแต่ว่าไปเห็นตัวเองเนี่ยเอ้าดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเลยมันเห็นเห็นหมดเลยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเทนยอดเยี่ยมมากที่สุดเลยจริงที่เราเห็นมันใช่ได้ เห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงของกายนอนป่วยเป็นโรคร้ายต้นต่อมน้ําเหลืองก้อเนื้อโตเร็วในำลําคอหายใจไม่ได้อาจารย์ตุ่มพาไปอยู่โรงพยาบาลคุณโมโอ้เห็นความไม่เที่ยงเนาะหายใจไม่ได้ <c oughs> หายใจไม่เข้าเลยตอนข้างก็ไม่เข้าสามข้างก็หายใจไม่เข้า สี่ขั้งเงื่อนหมายไปเขาก็อ้าวสนุกไหมสนุกล่ะทุกไหมถ้าเราไม่เห็นไม่รู้ก็ทุกแล้วกลัวตายหรือ ไ, ไม่กลัวทำไงล่ะอา้าวมันหายใจไม่ได้เอาทิ้งซะเพราะมันไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเอาทิ้งเราจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็่นอะไรเลยไม่เป็นอะไรลยอยู่ว่าง น้ำลายผมบอกมามันไม่ทุกเลยฮะเพราะเห็นความไป็เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ความไป็เที่ยงไม่ใช่เป็นทุกข์มันมีปัญญาตรงนี้ด้วยนะกรรมฐานเถียวอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงที่ไม่เป็นเลยน้ำลายผมบอกมาว่าจะจับว่าจะเมือมาเช็ดน้ำลายหมอจับแขนไว้ตอนนั้นก็หายไปเลยเงียบไปเลย ส บ, บายที่สุดเลยตายไงเคยตา ย, ย <c oughs> ไหมแต่ว่าเป็นทุกขะนะส บ, บายที่สุดเก็บปวดก็ดีสนนุกเก็บอา้าวเป็นงไง่ะคนทุกข์วมเก็บแล้วสนุกพวมเก็บเห็นของจริงก็เนื้อตะ บ, บอลเน่ลูกรามาจากลำคอไปชุนตะบอนไปเจอหมอเจ่งไปได้ยาดียาเจ่งมันก็หายมาได้เราก็ดึง หมอดนีนั่งอยู่เนี่ยไปบาลดีโอ้ยเทพธิดาหลวงพ่อนะไปบาลนะมันหมอเป็นเทพประบุตรหลวงพ่อทีเดียวนะหมอดียาดีใจเราก็ดีด้วยเพื่อนก็ดียันตุ่มเียจับมือนียนอนอยู่ตายสลอจะลอดไป โอ้เทพดามาจากไหนน้อมาจับมือเนี่ยคงมาจากปณิพตสาวาตีระบางเอาเอนอนเอาเดี่ยงอ่าเอาเอาทพดายังไงนอเนี่ย <c oughs> <c oughs> บอปลุกตัวขึ้นมาโอ้เทพดาจริงเลืนต่อขึ้นอาจารย์ต้มนั่งจับมือ เ, เราไปดูคนป่วยอย่าไปนั่งดูเฉยๆนะจับมือบ้าง จับดูเท่าบ้างใช่ไหมคุณหม อ, อ, <c oughs> อเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยหลวงพ่อไปดูเจ้าคณะอำเภอป่วยก็โทรไปบอกปรึกษาจะไปหาหมอจิราลงกรเห็นหลวงพ่อไปหายมาจากที่นั่นก็อยากไปหลวงพ่อเลยไปหาพ่อไปหาแลวพ่อนั่งดูเฉยๆ อ, อ, อยู่ <c oughs> อ๋อมาดูคนป่วยมาดู อาจารย์เจ้าหน้าเบื่อป่วยถ้าไม่พากันมานั่งอยู่ไปจับขาดูสิหลวงพ่อก็ไปก็ไปเปิดขาดจับอยู่เด่นจ่อย <c oughs> พอเยินจ่อย เ, อเอต้องอเอาผ้าห่อไว้าเท้ามันเยี่างนี้ถ้าเป็นไข้ก็ไม่ดีเอาผ้ามาห่อไว้เอามานวดเรียกพระมาเอาผ้ามาห่อไว้จับขาดูจับมือดู อาจารย์ตูม้มาจับมือหลวงพ่อเทวดาลหลวงพ่อไอ้พระบุตโอ้ยจะบายเลยเอ้าตื่นขึ้นมาเพื่อนดีเราเนี่มีผัวเมียกันดูไรกันโอ้ยเพื่อนดีหลวงพ่อนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลจุลาเนี่เพื่อนหลวงพ่ออยู่ที่นี่อาจารย์ทรงเชิญแม่ชีแม่กลัวทุกคนโอ้ยไม่ใช่คนดีดีเนี่ยอ๋อ ปันเนจาน้องเฉินของจะพาพวกเราทําวัดเถิดมนท์สอนธรรมะกันเนาะชั่นใหนะไม่มีบาปมีกรรมอะไรเลยเฉิดแผ่นกันแต่ตัวเองสบายไม่สะดุ้งผ ก, กรรมพวกตัวเองมีแต่ทําดีมา้บริสุจใจใจเรามันดีนะอะไม่มีอะไรไม่กระทบกระเทือนอะไรแนละ้วมันก็รอดได้ตัวเรามีสติธรรมชาติไม่มีเลยคําว่าเกิดแเจริญตายเหนือไปเลยนะ วิธีทำแท่นี่หรือหลวงพอ่อแท่นี้แหละงั้นเหนือเกิดแเจะตายได้ไม่ทุกเลยพวกเราสวดบน่อนความเกิดก็เป็นทุกความตายเป็นทุกความแก่เป็นทุกปัสสาสิ่งใดไม่ได้สิ่ น, นั้นก็เป็นทุกไม่ต้องทุกเลยแต่นี่ต่อไปนะว่าแต่มาปฏิบัติทำมาเจริญสติแนวมาพิสูจน์ช่วยกันดูอย่าให้ใครมาหลอกเราได้ เดี๋ยวนี่ก็หลอกได้เขาชวนเราหลงไปเยอะแยะแล้วโคจาราขึ้นป้ายเยอะแยะจตุคามรามเทพสวดแต่ก่อนพุทธาพิเศษเดี๋ยวนี่เทวดาพิเศษมีแล้วงอกขึ้นมางอกขึ้นมาไปเขียนพระพุทธแต่ก่อนเขียนพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ไปเขียนเทวดาจาตุคามไม่ใช่พระพุทธเจ้าจาตุคามเป็นคนลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะ เราไปเคารพรูกศิษย์พุทธเจ้ามากกว่าพุทธเจ้ามันไปไกลแล้วไม่คิวดูเนะีอยู่ที่จิตใจเรานะนะใจเราเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานอยู่เสมอเนี่ยใบเบียดเบียนใครมันพึ่งได้ตัวนี้มันพึ่งได้ น, ะนอนตายอยู่ก็สบายไม่มีบาปไม่กรรมอะไรถ้าเรามีบาปไม่กรรม อ้วนตายอยากให้มันหายบางคนหลวงพ่อไปดูก่อนจะตายใจอาการเนียังทุกข์เดือดร้อนโกรธคนนนโกรธคนนี้หลวงพ่อไปนั่งพูดอยู่ไม่ได้เรื่องเลยเพราะไม่มีนิสัยจกหน่อยเรามหัดนิดสัยนะ่ยมหัดนิดสัยม่รู้จักตัวหยับรู้จักตัวเคยไปช่วยคนป่วยแต่ไมนานมาแล้วแต่ไมหลวงพ่ออยู่มาเลยนะ เขาผ่าตัดต่อมลูกมากพูดเท่านอนร้องอยู่ที่โรงพยาบาลมั้งเลยเอากูมาฆ่าทำไมกูไม่ได้ทําบาปทํากรรมกูมีพวกมีเมียกูมีบ้านกูเอากูไปส่งบ้านแล้วกูไปส่งบ้านนอนป่วยอยอดีก็หลงพ่อก็ไปดูไปดูก็ร้องอยู่ค่อยค่อยสอนเขานะหลวงพ่อค่อยสอนเขา ลองอยู่พอไปเรียกจับมือปาพ่อตู้รู้จักอัตมาไหมรู้จักอัตมาบอรู้จักแล้วอายาคำเขียนตัวเน่โอ้บ่หลงกันนอาอ๋อชื่อว่าพ่อตู้หวนคนบางเลยก็เรียกพ่อตู้หวนโอ้พ่อตู้เคยปฏิบัติธรรมหมอ เคยก็อนุญาตแล้วสอนไหนอ่ะเคยสอนจังใด้เหลอให้ลูกจิกตัวปอตู้มือข้างขว า, ขายู่ใช่ตอนเนี้ยยกมือข้างขวาให้หลวงพ่อดูพอยกเกินข้างขวาเออข้างซ้ายยืดใส่ข้ซ้ายเนี้ยปอตู้พิกมือดูหูเมียบอหูเมียบอหูเมียพอตู้ขอเดีเดี๋อ ต, อตูมาค่าเดี๋ยวนี้ปอตูไม่สบายหมอรักษา นะพ่อตู้อย่าไปปวดไปร้องนะอยู่นี่นะพ่อตู้เดอ้ออยู่ตรงนี้นะพ่อตูก็พลิกมือรู้หยุดร้องเลยนะอหยุดตอมิมือหลับไปเราไปหน้าตาควายมีเลือดขึ้นมาแต่ก่อนซีดหมดเลยนะมันหมดพลังงานทางกายทางใจมันทุ่มเทมาลงโทษตัวเองพอหลวงพ่อไปแนะนําปับ๊บเขาเคยตำรู้จึกตัวขึ้นมารู้ตัวมาเขาก็อยู่หลับไปเลย ดีวันดีคืนขึ้นมาก็ออกจากโรงพยาบาลได้ถ้าเราไม่เคยเปลือก จ, จะอยู่ตรงไหนกันนะะเจ็บก็เจ็บปวดตัวหรือเป็นผู้เจ็บหรือไม่ใช่เลยเราจงมาเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเวทนากายสวัสดิ์กายเวทนาจากเวทนาจิตก็สักวิ์จิตแล้วก็เห็นตรงนี้ก็ลืออลอล่อถอนไปเรื่อยลื่อถอนไปเรื่อยแล้วนี่มันไปไกลปฏิบัติเท่านี้แหละ ไม่ต้องมีหนังสือตำลับตำลาเอากายเอาใจเป็นตำลาเอาสติเป็นะัญญาศึกษาเข้าไปนี่เรา ก, เราก็เราก็อยากพูดนะอ่าก็ไม่ได้สอนเรามาทีา่นี่หลายวันแล้วเป็นสองอาทิตย์แล้วไปสอนทีนน่โนดอ่าจังหวัดสกลนครออกจากสกลนครมาก็าไปบ้านนายแกอ่ะเพิ่งกลับมาสองวันเนี่ยดีใจที่พวกเรามาที่นี่อะ อาจารย์ต้องสินอยู่ก็เพื่อนอยู่ดนว้ก็ให <c oughs> ้พูดบนะ้างวันนี้ก็จะไม่ไปอยู่แล้วไปวอยู่ายวัดตึงอีกนะโลภแล้วเกินหลวงพ่อนะโลภมากแต่หลวงพ่อก็มีเพื่อนดีดีด <c oughs> นะเพราเราสอนตัวเราเนอะอย่าไปขี้เกียจที่ขัานขยนันรู้นะอ้าวตอนนี้ก็สำกญใจเวลาอาารย์